ขดชาวิสัชนาจากเตรียมสเสบียงไว้เลี้ยงตัวทำดีมากๆในชาตินี้ไม่เกี่ยวกับตายเร็วหรือตายช้าหรอกครับไม่เกี่ยวกับตายสงบหรือตายน่าสังเวชด้วยแต่จะเกี่ยวกับตายแล้วไปไหนมากกว่าอย่างไรทุกคนก็ต้องทยอยจากกันไปหมดอยู่แล้วถ้าคุณกำลังอ่านบรรทัดนี้อยู่ ก็แปลว่าเหลือเวลาให้ทำใจเชื่อเรื่องบุญกรรมกันอย่างถูกต้องพอสมควรก่อนตายไม่ควรหวาดภวาแต่ควรเตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมใจใช้ชีวิตที่เหลือเพื่อความไปสู่สุคติหรือเพื่อความสิ้นสุดทุกร้อนถาวรต่อไปเมื่อใจกลัวก็อย่าทาปากแข็งว่ากล้าขอให้ถือเป็นโอกาสศึกษาพุทธพจน์ วา่าท่าทีเกี่ยวกับการเตรียมตัวตายเป็นเช่นใดตายด้วยจิตแบบไหนถึงจะคุ้มซึ่งขอสรุปรวบรัดโดยง่ายคือพระพุทธเจ้าท่านให้ระลึกถึงความตายเสมอเสมอและความตายแบบมนุษย์สามัญก็ปราศจากร่องรอยนิมิตบอกเหตุเหมือนเทวดาเพราะฉะนั้นอย่าได้ประมาทฉะล้างสิ่งโสโครกใดได้ก็ฉะล้างเสีย เตรียมสเสบียงไว้เดินทางต่ออย่างใดไ ด, ได้ก็เตรียมเสียซึ่งสเสบียงที่ดีที่สุดก็คงหนีไม่พ้นการมีปัญญาเห็นชอบเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วและสิ่งทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นว่าเป็นสมบัติถาวรของเราหรือของใครเมื่อใจไม่เปื่อนมนทินบาปสะอาดเอี่ยมด้วยบุญกุศลและเลิกห่วงห่วงดินน้าไฟลม ทั้งหลายในโลกล่าที่ต้องมีอันแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเห็นอิสระทางใจอันเกิดจากความปล่อยวางเป็นสิ่งมีค่าสูงสุดนั่นแหละครับท่าทีการเตรียมตัวตายแบบพุทธของแท้หากจําที่กล่าวมาข้างต้นไม่ได้ก็ขอให้ระลึกสั้นๆว่าอย่ากลัวตายร้ายแต่ขอให้กลัวจะอยู่อย่างไม่ได้เตรียมตัวไปดีก็แล้วกัน ทำอย่างไรถึงได้ชื่อว่าเตรียมตัวตายอย่างถูกวิธีทางพุทธคนไทยนั้นแค่ให้พูดเรื่องตายๆก็ถือว่าเป็นอัปมงคลเด็กโดนพ่อแม่ตีเผียรไปหลายคนแล้วครับเวลาสมมุติอะไรเกี่ยวกับความตายสมควรจะช่วยกันถอนความเข้าใจผิดเมืองพุทธต้องปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าสอนต้องพูดถึงความตายได้เป็นปกติ และเตรียมตัวตายกันได้อย่างเป็นลําเป็นสันเห็นกันทุกหัวระแหงไม่ใช่เกิดเหตุจวนตัวหรือเห็นสถานการณ์ของโลกเลวร้ายแล้วถึงค่อยคิดเข้าวัดเข้าวากันการเข้าวัดเร่งทาบุญเพราะกลัวบีบคั้นหาใช่การเตรียมตัวตายเยี่ยงพุทธที่สมบูรณ์แต่อย่างใดพุทธเราต้องการความไม่ประมาทและความไม่กลัวสองตัวนี้ต้องท่องไวให้ขึ้นใจนะครับ ไม่ประมาทและไม่กลัวไม่ประมาทคือเลิกหลงนึกว่าเราจะได้มีชีวิตไปเรื่อยอุทุชนย่อมไม่อาจพยากรวันตายของตนเองจึงควรเตรียมตัวพร้อมไว้เสมอส่วนความไม่กลัวนั้นเกิดจากการเข้าใจแบบขึ้นใจว่าเรานี้มีอันต้องแตกดับเป็นธรรมดาไม่วันใดก็วันหนึ่งไม่ช้าก็เร็ว ใครระลึกถึงความตายแล้วหมดความประมาทกับความกลัวได้ดังนี้ทางพุทธเรียกว่าผู้นั้นเจริญมรณสติวิธีใดๆก็ตามพาเราไปถึงความมีมรณสติได้วิธีเหล่านั้นล้วนถูกต้องไม่ผิดเลยคนบางอาชีพแทบจะมีมรณสติเองโดยไม่ต้องฝึกอย่างเช่นพวกสับประรอที่ต้องง่วนอยู่กับศพ หรือหมอที่ต้องง่วนอยู่กับการยื้อเป็นยื้อตายในห้องฉุกเฉินอาชีพที่เอื้อให้เห็นความดับชีวิตทุกวันย่อมก่อให้เกิดความรู้สึกว่าการตายเป็นของธรรมดาได้เองอย่างไรก็ตามแม้ศัพเปอร์เรและแพทย์พยาบาลจะรู้สึกว่าความตายเป็นของธรรมดาถ้าว่าเมื่อชินชินไปพวกเขาก็อาจจะไม่สมเนกว่า วันหนึ่งจะถึงตาตนบ้างแสดงให้เห็นว่ามรณสติที่เกิดเองโดยอาชีพยังไม่เพียงพอจะน้อมเข้ามาสู่ตนจนเป็น ม, มรณสติแบบพุทที่แท้จริงอย่างไรก็ต้องอาศัยการฝึกฝนอยู่ดีอีกประการหนึ่งที่ต้องย้าคือขอให้ทําความเข้าใจว่าข่าวที่กระตุ้นให้ระลึกถึงความตายหรือแม้การฝึกระลึกถึงความตาย อาจก่อให้เกิดคุณหรือโทษก็ได้วัดกันที่ผลสุดท้ายหากได้เป็นความไม่ประมาทและความไม่กลัวอย่างนั้นเป็นคุณแต่หากผลคือความกลัวตายเอาแต่รู้สึกแย่สิ้นหวังงกงเงินเงินกระวนกระวายไม่เป็นสุขอย่างนั้นก็เป็นโทษผู้ฝึกมรณสติประจำ ต้องได้ความรู้สึกว่าชีวิตเป็นของเหลือน้อยต้องได้ความรู้สึกว่าจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้และเพื่อให้ถึงเป้าหมายดังนี้ก็ต้องมีเครื่องกระตุน้นและมีมาตรวัดที่ชัดเจนพอสมควรเครื่องกระตุ้นที่ดีคือคำถามที่มีต่อตนเองเสมอๆว่าเราพร้อมจะตายแบบปัจจุบันทันด่วนหรือยัง สเสบียงสำคัญสูงสุดสำหรับการตายแบบปัจจุบันทันด่วนได้แก่สติความสามารถระลึกถึงกุศ ล, ลกรรมที่ทำเป็นประจำรวมทั้งคุณภาพของจิตที่พอจะใช้สว่างไม่หม่นมืดปิดทางสุขติหากสำรวจตนเองแล้วพบว่าเป็นคนมีสติคิดอ่านเป็นกุศลได้เสมอเสมออย่างนั้นก็พอจะหมดห่วง กำจัดปัญหาสําคัญที่สุดไปได้เปล่ะหนึ่งอย่างไรก็ตามว่ากันตามเนื้อผ้าทุกคนเกิดมาพร้อมกับความพร้อมจะคิดไม่ดีคิดไปในทางอากุศลเหมือนที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมชาติของจิตนั้นไหลลงตำ่ำจะขึ้นสูงต้องออกแรงทวนกระแสกันเพราะฉะนั้นให้ถามตัวเองว่าเราคิดดีได้เป็นปกติหรือยัง ถ้ายังก็ยอมรับตรงๆว่ายังอย่าหลอกตัวเองว่าดีแล้วเพราะผลเสียหายไม่ใช่ใครอื่นนอกจากตัวเราเองที่ยังหลงวนไม่รู้ตัวว่าขาดสเสบียงเพื่อความพร้อมตายถ้ายังคิดดีไม่ได้เป็นปกติให้รีบบอกตัวเองว่าของอย่างนี้ช้าไม่ได้นะของมันต้องใช้เวลานะต้องทุ่มแรงฝึกฝนตัวเองนะ ไม่ใช่จูจ่ๆเราจะคิดดีเสมอๆได้โดยปราศจากความพยายามดัดนิสัยตนเองคิดดีในทางพุทธคือไม่ตรณีมีความเสียสละมีใจเป็นทานสามารถแบ่งปันส่วนเกินให้ผู้อื่นได้เสมอนอกจากไม่หวงความตรณีเรายังไม่ควรหวงความพยาบาทใครหวงความพยาบาท ก็เหมือนหวงกรงขังตัวเองไว้กับความเร่าร้อนค่อยๆฝึกที่จะอาภัยเรื่องง่ายๆก่อนแล้วไต่ระดับขึ้นไปอาภัยในเรื่องยากๆอย่าให้เหลือรอยพยาบาทใดๆตกค้างในใจก่อนตายมิฉะนั้นแม้เราจะเป็นฝ่ายถูกเป็นฝ่ายโดนเบียดเบียนรังแกความพยาบาทที่ยังขาใจย่อมไม่พาเราไปดี มีแต่ที่มืดที่เหมาะสมกับใจพยาบาทอาคาตแค้นอยู่นั่นเองการฝึกละความพยาบาทจะฉายชัดว่าไม่ใช่ของทำกันเล่นเล่นง่ายๆต้องอาศัยเวลาต้องอาศัยความเพียรพยายามต้องสังเกตอยู่เรื่อยๆด้วยว่าใจเราคืบหน้าไปแค่ไหนแล้วนอกจากนั้นคิดดีในทางที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นมหาทาน ได้แก่การตั้งใจรักษาศีลให้สะอาดบริสุทธิ์ไม่ฆ่าแม้ถูกยั่วให้ฆ่าไม่ขโมยแม้ถูกยั่วให้ขโมยไม่เป็นชู้แม้ถูกยั่วให้เป็นชู้ไม่โกหกแม้ถูกยั่วให้โกหกและไม่เสพของหมื่นเมาแม้ถูกยั่วให้เสพของหมื่นเมาหากสำรวจตัวเองว่ายังสละกิเลสตัณหาคิดอยากละเมิดศีลธรรมไม่ได้ ก็ให้เห็นตามจริงว่าของแบบนี้ต้องใช้เวลาพยายามฝึกและต้องสังเกตด้วยว่าใจเราคืบหน้าไปแค่ไหนแล้วตามวันเดือนปีที่ฝึกตนมาเมื่อตรักว่าอะไรอะไรก็ต้องใช้เวลาการนับเดือนนับปีสำรวจความคืบหน้าของตนนั่นแหละคือการนับถอยหลังเตรียมพร้อมสำหรับวันตายไปในตัว ใจคุณจะจดจอ่อและรู้สึกถึงมรณะการอยู่เรื่อยๆโดยอัตโนมัติทำให้เราเลิกประมาทเสียได้ว่าอีกนานกว่าจะตายเพราะแม้วันตายเราอยู่อีกนานจริงคุณก็จะเห็นว่าการไม่เตรียมบุญไว้ให้พร้อมนั้นจะทำให้เราตายไปพร้อมกับบาปที่ยังสะสางไม่เสร็จเสมอความอบอุ่นใจจะเป็นมาตรวัดที่ดี ว่าเราเตรียมตัวพร้อมพอแค่ไหนแล้วทำนองเดียวกับคนที่ทราบว่าแผ่นดินต้องไหวแน่น้ำต้องท่วมแน่พายุต้องกระนําแน่ไฟต้องไหม้แน่ก็ใช้เวลาที่พอมีเหลือเพื่อเตรียมสเสบียงเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือกระจัดกุปศักคในการเดินทางไกลไปในป่ารกให้พร้อมถ้าพยายามแล้วยังไม่เห็นข้อบกพร่อง ยังไม่เกิดความอุ่นใจยังไม่รู้สึกว่าเพียงพอก็ยิ่งเสริมส่งให้เราเห็นว่าเราต้องแข่งกับเวลามากขึ้นเรื่อยๆจนกว่าจะถึงจุดของความรู้สึกว่าพร้อมเชื่อสนิทว่าต้องตายแต่ไม่กลัวตายอีกเลยนั่นแหละนับว่าพร้อมที่สุดกล่าวโดยรวบรัดการเตรียมตัวอย่างถูกต้องนั้นไม่ใช่แค่นึกๆึกเอาว่าเดี๋ยวเราจะระวังตัว เดี๋ยวเราจะตายแต่เป็นการเตรียมนิสัยเตรียมความเคยชินว่าจะตายพร้อมกับกุศลจิตปราบใดยังคิดมากวกไปวนมายังขี้กังวลยังหวงสิ่งที่ไม่ควรหวงยังไม่อาจตัดทิ้งพันธะผูกใจก็ขอให้พิจารณาว่าเหล่านั้นคือนิสัยที่เป็นเหตุให้ตายไม่ดีได้หมดเราต้องให้จิตคิดดี คิดเป็นกุศลให้ได้เป็นปกติตามแนวทางของฐานและศีลยิ่งเสียสละมากยิ่งมีศีลบริสุทธิ์มากใจก็จะยิ่งมีคุณภาพและลดถอนความคิดมากที่กังวล น, นานาไปได้เรื่อยๆเองหากยังสับสนอยู่ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มอย่างไรแน่ก็ให้เอาอย่างนี้ครับเพื่อออกจากจุดเริ่มต้นได้เร็วที่สุด ขอให้ถามตัวเองว่าทุกวันนี้คุณยังมีข้อเสียทางความคิดทางคำพูดหรือทางการกระทำแบบไหนบ้างเอาชนิดนึกปุ๊บคิดถึงบาปนั้นๆขึ้นมาก่อนเพื่อนก็ให้สมมุติว่าบาปนั้นแหละจะถึงตัวก่อนได้ตัวเราไปก่อนในขณะจิต ท, ท้ายๆฉะนั้นก็หาทางเริ่มกำจัดบาปนั้นก่อนเปลี่ยนวิธีคิดวิธีพูด หรือวิธีธรรมให้เป็นตรงข้ามเสียเป็นอันดับแรกจะต้องเสียเวลาเสียกำลังสักเท่าใดก็ตามนี่ก็ได้ชื่อว่าเริ่มเตรียมตัวตายแบบตีตั๋วจองที่นั่งระดับเฟิร์สคลาสไว้แล้วผลที่คุณจะเห็นชัดเมื่อเปลี่ยนนิสัยได้สำเร็จคือความโล่งอกคิดถึงวันตายแล้วเกิดความอบอุ่นใจอย่างประหลาดนั่นก็เพราะเหตุที่จะทาให้ตายไม่ดีหายไปก้อนใหญ่นั่นเอง เมื่อได้ความอบอุ่นใจอย่างใหญ่ในเบื้องต้นแล้วจะเห็นว่าไม่ยากเลยที่จะขจัดความชั่วร้ายในลำดับต่อๆมาซึ่งเมื่อกำจัดได้อีกก็จะยิ่งอุ่นใจขึ้นอีกกระทั่งถึงจุดหนึ่งสำรวจตัวเองแล้วมีแต่ความดีงามก็เป็นอันปรงโล่งถึงขีดสุดพร้อมตายแม้ขณะหลับกันเลยทีเดียวแล้วครับ ผู้สมควรตายและปัจจุบันทันด่วนนั้นคือใครบ้าง 1. พู่งผูถึงวาระสุดท้ายอาจถึงเวลาตายด้วยกรรมเก่าจากอดีตชาติหรือเพราะกรรมใหม่ในชีวิตปัจจุบันบันดาลให้ต้องตกตายณจุดของเวลานั้นๆโดยไม่คำนึงว่าจิตกำลังเป็นกุศลหรืออกุศลในขณ ะ, ะเผชิญความตายโดยมาก พวกนี้จะมีโอกาสตั้งสติระลึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งสิ่งที่มนุษย์มักยึดเหนี่ยวกันก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของตนแต่ถ้าระหว่างมีชีวิตไม่ทำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้อยู่ในใจก็มักกังวลโน่นนี่สารพัดสพูดถึงวาระสุดท้ายเช่นเดียวกับข้อแรกแต่กรรมในอดีตชาติหรือกรรมในปัจจุบันบังคับไว้เลยว่า ต้องต า, ตายด้วยจิตที่ทเป็นกุศลหรืออกุศลเช่นถ้าอดีตชาติเคยฆ่าผู้อื่นด้วยวิธีทำให้กลัวก่อนตายหากชาติปัจจุบันไม่สร้างกระแสกรรมใหม่ไว้แรงพอจะส่งให้จิตมีกำลังและสว่างสวัยพอก็จะต้องตายด้วยเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความกลัวอย่างท่วมทน้นแม้พยายามระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในนาทีสุดท้ายอย่างไรก็แก้ไม่ทัน 3. ผู้มีมบา ป, บาปหนักถึงเวลาตายในจังหวะที่จิตกำลังดำมืดขาดกำลังส่งให้ไปดีเขามีบาปหนักสมควรจะต้องชดใช้ขนาดที่ว่าถ้ายังมีชีวิตต่อก็จะขาดเหตุปัจจัยในโลกนี้มาลงโทษอย่างสาสมอันนี้หาได้ยากที่เคยมีเป็นเยี่ยงอย่างแก่มนุษยชาติก็ได้แก่พระเทวทัต ซึ่งทำร้ายพระพุทธองค์สารพัดวิธีแบบกะปร่งเผชู่อยู่ๆพื้นแผ่นดินที่ยืนอยู่ก็แยกออกแล้วกลืนหายลงไปเฉยๆวงเล็บเปิดไม่ได้สูบหววเดียวจ ม, มิดเพราะหลักฐานมีอยู่ว่าพระเทวทัตสำนึกผิดได้ตอนโดนดูดลงไปเหลือแค่ส่วนหัวตำแหน่งที่พระเทวทัตโดนในปัจจุบันก็ยังมีปักป้ายแสดงที่อินเดีย ใครอยากดูก็ลองไปสัมผัสเอาเองว่ามีความหน้าขนลุกอยู่จริงไหมวงเล็บปิดส <4. S 1> ผู้ผมีบุญมา ก, มากถึงเวลาตายในจังหวะที่จิตกำลังมีความผ่องใสหรือมีกำลังของกุศลอุ้มชูมากพอจะประกันพบใหม่ว่าต้องดีกว่าที่กำลังเป็นอยู่เขามีบุญญาธิการที่ควรได้เป็นผู้สวยสุขมาก ขนาดที่ว่าถ้ายังมีชีวิตต่อก็ขาดเหตุปัจจัยที่จะตกรางวัลอย่างสมน้ำสมเนื้อกับบุญญาบารมีเสียแล้วพวกนี้กุศลจะคุ้มตัวต่อให้เกิดเรื่องน่ากลัวขนาดไหนก็ไม่ตระนกจิตส่วนลึกมีความเชื่อมั่นกับกระแสกุศลอบอุ่นใจมากพอตัวอย่างที่เคยเกิดขึ้นคือหญิงชาวนาคนหนึ่ง ตื่นเช้าใส่บารพระอาหารหันต์ซึ่งเพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติซึ่งผลกรรมด้านดีจะแรงมากต้องเห็นผลภายในเจ็ดวันแต่ด้วยวิถีชีวิตของนางไม่มีปัจจัยในโลกสนองตอบได้ไหวเลยตายแบบปัจจุบันคันด่วนด้วยสัตว์ร้ายไปเสวยสวรรค์ระหว่างทางทาบุญนั่นเองวงเล็บเปิดปัจจุบันข่าวทัวบุญที่รถเทกระจาดก็มีให้เห็นได้บ่อย จนบางครั้งคนตั้งข้อสังเกตนะครับอย่าตีความว่าทำบุญแล้วตายหมายถึงทำบุญแล้วได้อัปมงคลเป็นอันขาดวงเล็บปิดขอยกตัวอย่างเหตุการณ์สึนามิที่ผ่านมาคนมักถามกันว่าผู้เคราะห์ร้ายเคยทำกรรมใดร่วมกันมาจึงร่วมตายเกือบพร้อมเพรียงอย่างนั้นถึงสา0 0 0 0คนอันนี้ขอให้ทราบนะครับ การตายหมู่ไม่ใช่เครื่องหมายบอกเสมอไปว่านั่นเป็นวิบากกรรมที่พวกเขาทำมาร่วมกันขอให้สังเกตว่ากรณีสึนามินั้นแต่ละคนกระจายกันรับเคราะห์กรรมซึ่งมีแรงหนักเบาไม่เท่ากันสถานการณ์ที่ส่งผลให้เจ็บตายไม่เหมือนกันและที่สำคัญไม่ได้รู้จักมักจี ไม่ได้จุงมือไปรวมตัวกันตามข้อตกลงแต่อย่างใดนอกจากนั้นขอให้สังเกตอีกประการหนึ่งคือหลายรายไม่ใช่คนในพื้นที่แต่เมื่อถึงเวลาเปลี่ยนพบของพวกเขาก็มีเหตุให้พวกเขาต้องไปอยู่ที่นั่นพอดีตำแหน่งที่จะถูกน้ำซัดตายพอดีส่วนคนที่ยังไม่ถึงคาดแม้ห่างกันแค่ไม่กี่ก้าวก็กลับรอดและไม่บาดเจ็บเท่าแมวควน บางคนถูกน้ำซัดเข้าะทาผนังน่าจะตายแน่แล้วผนังส่วนนั้นกลับพังราบเลยรอดจากการถูกอัดก๊อ ป, ปี้นี่แหละการแสดงความมหัศจรรย์ในการคาดคนออกของกฎแห่งกรรมวิบากใครยังคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญก็สมควรทบทวนดูใหม่จากเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นว่าทำไมความบังเอิญจึงเล่นตลกได้ขนาดนี้ การประสบเคราะห์กรรมร่วมกันชนิดที่สอถึงอดิตกรรมที่เคยทำมาด้วยกันนั้นจะเป็นประเภทกลุ่มคนที่รู้จักกันร่วมทางหรือลงเรือลําเดียวกันประสบกับรูปแบบเคราะห์กรรมเดียวร่วมกันเช่นในคำพีมีเรื่องของเหล่าพิกษุไปติดในถ้าด้วยกันอดอยากปากแห้งร่วมกันอยู่หลายวันก็เพราะกรรมหมูในอดีตชาติที่เคยร่วมกันกักขังสัตว ให้ได้รับความทรมานเป็นต้นโลกนี้แบ่งออกเป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยกับเขตพื้นที่สุ่มเสี่ยงและเป็นอย่างนี้มาทุกยุคทุกสมัยไม่มีสมัยใดที่โลกปูตลอดด้วยพื้นที่ปลอดภัยหรือสุ่มเสี่ยงอย่างเดียวต้องมีกระจายเขตดีเขตร้ายไว้ให้บริการสัมสัตผู้มีบุญมีบาปอย่างทั่วหน้าอยู่เสมอฉะนั้น ขอให้ลืมเรื่องภัยล้างโลกแบบกวาดทีเดียวหายเรียบไปได้วันหนึ่งโลกอาจถึงการแตกดับจริงแต่ผ่านนั้นต้องไม่มีฝัดบุญมากอย่างมนุษย์ลงเหลืออยู่อีกต่อไปแล้วโลกยังไม่แตกวันนี้แต่ก็อย่าประมาทเลยครับเพราะเราอาจยืนเดินนั่งนอนอยู่ในเขตประหารและเราไม่อาจทราบเสียด้วยว่าถึงเวลาของเราหรือยัง ขอให้คำนึงถึงการเตรียมสเสบียงไว้เพื่อความไม่ประมาทแหละดีที่สุดเราจะได้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องถามหาคำทํานายว่าที่กำลังหายใจได้กำลังรู้สึกและนึกคิดได้เหมือนอย่างนี้วาระสุดท้ายจะต้องตายเดี่ยวหรือตายหมู่ตายดีหรือตายทรมานตายในขณะที่จิตเป็นกุศลหรืออกุศลเพราะธรรมดา ผู้สั่งสมบุญตุนสเสบียงไว้มากๆย่อมอุ่นใจอยู่เสมอว่ากำาขาวทั้งปวงจะตามไปช่วยอุดหนุนคำจุนมิให้หลงตายตกร่วงลงต่ำอย่างแน่นอนถามรู้จักคนดีๆคนหนึ่งสงสัยว่าทำไมคนทำดีมาตลอดชีวิตถึงตายร้ายด้วยอุบัติเหตุรถยนต์ยนตสยด ส, สยองได้ขนาดนั้นตอบ เราเห็นด้วยตาเปล่า ว, ว่าเขาตายไม่ดีแต่ไม่รู้นี่ครับว่าเขาไปดีหรือไปร้ายความตายคือการจบในสายตาของมนุษย์แต่ในโลกวิญญาณแล้วความตายอาจเป็นเพียงเครื่องมือส่งไปสู่จุดหมายปลายทางที่คนคนนั้นควรจะได้ไปถึงพูดง่ายๆว่าความตายอาจเป็นแค่ลีลาหนึ่งหรือเป็นแค่สไตล์หนึ่งในการบริหารจัดส่งผลกรรมให้กับเรา อย่างที่มีข่าวหลายหวนว่าทั่วบุญพากันไปตายทั้งคณะนั้นมักทําให้ผู้บริโภคข่าวเกิดความกังขาว่าไปทําบุญแล้วทําไมบุญไม่ปกป้องไหนว่าทําดีแล้วผีจะคุ้มไงเรื่องจริงก็คือทําดีแล้วไม่ใช่มีผีติดตามไปเป็นบริการให้หรอกครับทําดีแล้วมีกรรมเป็นผู้คุ้มครองต่างหากและบางที กรรมก็ไม่ได้คุ้มครองอย่างเดียวแต่ยังอาจช่วยส่งเสริมให้สบายขึ้นกว่าเดิมด้วยญาติพี่น้องข้างหลังพากาันเศร้าสลดกับสภาพศพที่ตายเกลื่อนแต่เหล่าวิญญาณอาจกําลังพากันหัวเราะสดชื่นตื่นเต้นกับภาวะใหม่ๆที่น่าพึงใจถึงขีดสุดอยู่ก็ได้คนเราจะตายอย่างไรกรรมเขาเป็นผู้ตัดสินเลือกให้เสมอบางทีก็เป็นการจับมือทางานร่วมกัน ระหว่างของเก่ากับของใหม่อย่างเช่นกรรมเก่าข้อปานาติบาตมีหน้าที่ตัดอายุกรรมใหม่เช่นมหาทานมีหน้าที่ส่งไปสู่สุคติถ้าถึงจังหวะหนึ่งมีโอกาสประสานกันก็อาจส่งรถบรรทุกเจ้ากรรมมาประสานงานเอาดือด้อๆพวกตายคาที่กระทานหันนั้นมีอยู่สามประเภทใหญ่ๆครับหนึ่งคือเคยรอบฆ่าเขามา 2. คือถึงเวลาไปเป็นวิญญาณผีตายโหงหรือลงนรก 3. คือสมควรได้สวยสวรรค์เสียทีถ้าทราบตามจริงว่ายังเห็นได้เพียงด้วยตาเนื้อก็อย่าเพิ่งไปตัดสินว่าศพที่เราเห็นบนถนนนั้นเข้าข่ายประเภทไหนมีเรื่องเล่าในสมัยพุทธกาลกันหลายกรณีเช่นบางรายได้ทำบุญกับพระอรหรันต เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติซึ่งตามกฎของการให้ผลกรรมจะต้องได้เสวยผลทันตาภายในเจ็ดวันเป็นความสุขเป็นอัตภาพที่ดีขึ้นแต่สำหรับบางคนขาดปัจจัยพื้นฐานที่จะเสวยสุขในโลกกรรมดีใหม่เลยจับมือกับกรรมชั่วเก่าทรงกระทิงมาขิดตายก่อนกลับถึงบ้านอันนี้ขอให้รับฟังไว้เป็นความรู้ประกอบรู้ไหมครับ วันพรุ่งนี้จะมีคนตายเพิ่มอีก1 5 0 0 0 0ห่นคนในขณะที่ก่อนจบเที่ยงคืนวันนี้ก็มีล่วงหน้าไปแล้วเป็นจำนวนเฉลี่ยประมาณเดียวกันนี่เป็นเรื่องที่พวกเราไม่รู้เห็นด้วยตาเปล่าแต่เกิดขึ้นจริงและพวกเราก็ล้วนสุ่มเสี่ยงต่อการเป็นหนึ่งในกลุ่มแสนห้าที่ว่าในวันใดวันหนึ่งด้วยความตายมาถึงแน่และมัจจุราช คงไม่อาจเอาใจเลือกวันละแสนห้าหมื่นวิธีดีๆให้กับคนตายทุกคนไว้ประเด็นจึงไม่ใช่เลือกตายให้หรูแต่ควรเตรียมใจตายด้วยจิตที่เป็นกุศลเพื่อความอุ่นใจเพื่อเป็นประกันว่าหลังความตายอันไม่อาจพยากรณ์วิธีและวันเวลานั้นเราจะได้ไม่ต้องเป็นวิญญาณหวนมองย้อนกลับมาเสียดายศักยภาพสร้างบุญสร้างบา ร, รมีของมนุษย์กัน ถามเคยได้ยินมาว่าถ้ามีจิตที่หม่นหมองขณะใกล้ตายจะทำให้เราไปเกิดในภพที่ไม่ดีอยากถามว่าลักษณะจิตก่อนตายอย่างไรที่เข้าข่ายหม่นมองดังกล่าวตอบไม่ว่าจะใกล้ตายหรือขณะกำลังอยู่ดีมีความเป็นปกติอย่างนี้จิตคนเรามนมองด้วยลักษณะเดียวกันหมดครับคือไม่สามารถนึกถึงสิ่งที่เป็นมงคล ไม่อาจรู้สึกแช่มชื่นตื่นตาต่อให้จำได้หรือนึกออกว่าทำบุญอันใดไว้ก็ไม่อาจยังจิตให้เป็นสุขได้เนื่องจากไม่อาจถอนจิตจากแรงดึงดูดของบาปอากุศลเมื่อจิตหม่นมองก็ย่อมคิดถึงแต่เรื่องไม่ดีนึกถึงแต่เรื่องที่คนทำให้เราเจ็บใจนึกถึงแต่เรื่องที่เราไม่ประสบความสาเร็จนึกถึงแต่เรื่องที่ไม่สมหวังต่างๆนาน า, นา หรือกระทั่งยังไม่เคยเกิดเรื่องร้ายก็อุตสาห์จินตนาการไปล่วงหน้าว่าเดี๋ยวต้องเกิดแน่ๆจนคล้ายชีวิตทั้งชีวิตช่างไม่มีสิ่งใดเป็นน้ำดีเอาเสียเลยตรงนั้นแหละที่จิตอยู่ในสภาพเหมาะสมกับพบอันเป็นทุกข์ไม่มีความสุขไม่มีความเจริญสรุปคือเป็นเรื่องจริงครับถ้าจิตหม่นหมองขณะใกล้ตายก็คงไม่คล้วต้องเจอทุกขติ แม้อุสาหสังสมบุญญาบารมีทำดีให้ทานรักษาศีลมาตลอดชีวิตแต่พลาดตกม้าตายตอนจบตายด้วยอารมณ์เศร้าหมองแล้วแทนที่จะไปดีสวยสุขดังควรก็อาจถูกความหม่นหมองเคียให้ไปรวมอยู่กับพวกเร่ร่อนในภูมิเปรตแช่จมอยู่กับความวังเวงเงียบเหงาแต่ก็ไม่ถึงกับถูกแผดเผาด้วยไฟหรือเครื่องทรมานสาหัดนัก และอาจติดอยู่กับภพบของความเป็นเช่นนั้นในระยะสั้นๆสำหรับพวกมุญเก่าดีแต่ตายขณะจิตเศร้าหมองนั้นเมื่อใดระลึกถึงกุศลเก่าได้หรือมีญาติที่ผูกพันกันแน่นแฟนอุทิศ ส, ส่วนกุศลหรือมีพระที่ชำนาญชาญสมาบัติแผ่เมตตาชนิดที่มีพลังเสะเทือนกระตุ้นเตือนให้รับรู้และอนุโมทนาบุญสาเร็จพวกนี้มักจะหลุดบ่วงไปไม่ยากนัก เพราะฐานเดิมมีแรงขับดันพร้อมจะส่งไปสู่สุขติภูมิอยู่ก่อนหน้าแล้วสำคัญคือใครจะมีช่องทางส่งสเสบียงไปให้หรือเปล่าน่ะสินั่นเป็นเรื่องขึ้นอยู่กับคนที่ยังมีชีวิตบนโลกล้วนๆพวกบุญพอมีแต่จิตเศร้าส้อยก่อนตายนั้นอีกส่วนหนึ่งมักไปเป็นสหายแห่งดิรชานหมู่ใดหมู่หนึ่งซึ่งต้องนับว่าแย่กว่าพวกเปรตเพราะพอเกิดเป็นสัตว์ดิรชาน เกือบร้อยเร์เซนต์จะลืมอดีตแต่งผลหลังหมดและมีจิตผูกติดอยู่กับประสาทหยาบใช้ชีวิตตามสัญชาตญาณและอารมณ์หรือมือลอยไร้จุดหมายวันๆเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปหาจุดหนึ่งเรื่อยเปื่อยโดยไม่รู้จะทำอะไรให้เกิดความก้าวหน้าขึ้นกว่าเดิมแม้ใครอุทิศส่วนกุศลมาให้แรงขนาดไหนจิตก็ไม่อาจงงหัวขึ้นรับรู้วงเล็บเปิด เว้นแต่จะมีผู้ทรงฌานแผ่เมตตาให้ตรงตรงแบบเจาะจงจิตก็อาจแปลสภาพเป็นกุศลสามารถคิดอ่านคล้ายคนขึ้นมาได้ชั่วขณะหนึ่งแต่ไม่ถึงขนาดเลื่อนชั้นเลื่อนภูมิให้มันได้เพราะมีเปลือกหนาๆนาของอัตภาพสัตว์ห่อหุ้มจิตวิญญาณอยู่วงเล็บปิดหากไม่มีบุญนุนเอาเสียเลยคือเป็นผู้ที่ตรนีทีเหนียว เป็นผู้มีศีลขาดทะลุเป็นรูใหญ่เกินป่าชุนแถมก่อนตายนึกอะไรไม่ออกได้แต่กลอกหน้าไปมาจมปลักอยู่กับเรื่องอัปมงคลอันเจือด้วยราคะโทสะโมหะแบบถอนตัวไม่ขึ้นอย่างนี้ก็เสร็จเลยครับมีสิทธิ์เจอวิบากชั่วทั้งหลายเรียงคิวขอบอมยาวเหยียดชำระหนี้บาปจากขุมหนึ่งก็อาจต้องระเห็ดไปร้องจากจกต่อที่อีกขุมหนึ่ง หรืออาจตกอยู่ในความทุกข์ตรมความหิวโหวยไส้กิ่วทรมานความคุ้มคลั่งแบบเดียวกับช้างตกมันวงเล็บเปิดแย่กว่าช้างตกมันตรงที่ต้องอยู่ในอาการตกมันนา น, น, านแสนนานเหมือนไม่มีวันสิ้นสุดเพราะหน้าที่หนึ่งของนรกคือให้ผลเป็นทุกข์ยืดเยื้อยาวนานวงเล็บปิดถาม ความหม่นหมองเกิดจากอะไรได้บ้างทุกวันนี้ถือว่าอยู่ในกรอบของความเป็นคนดีคบเพื่อนดีไม่ไมคิดทำร้ายใครไม่เที่ยวเสียหายทำทานบ้างตามโอกาสแต่กลับคิดมากาเครียดเก่งขี้วิตกกักงวลง่า ย, ายคล้ายไม่ต้องมีต้นสายปลายเหตุอย่างนี้นจะถือว่าจิตกำลังสะสมความหม่นหมองทีละเล็กทีละน้อย จ น, จนถึ ง, ถงขั้ น, นร้ายแรงใน ท, ที่สุ ด, สดหรือไม่ไมตอบคาตอบง่ายๆเลยครับสาหรับบางคนความหมุนหมองเกิดจากความเคยชินที่จะหมุนหมองหรือยอมตนให้กับความหม่นหมองจนเคยตัวเรื่องไม่น่าคิดก็เก็บมาคิดเรื่องไม่น่าวิตกก็เก็บมาวิตกหากเข้าข่ายดังว่านี้ก็ขอให้คุณทราบเถิดว่า โรคช่างวิตกมีต้นสายปลายเหตุการยินยอมตกเป็นเบี้ยล่างของความวิตกโดยไม่หาทางทําอะไรให้ดีขึ้นนั่นเองคือต้นเหตุเหมือนเราตกลงไปในหนองน้ําที่เน่าเหม็นและชื้นแฉะน่ารังเกียจแล้วตั้งคําถามกับตนเองว่าเหตุใดเนื้อตัวเราจึงไม่แห้งเสียทีเหตุใดกลิ่นเหม็นเน่าจึงยังติดผิวกายเราอย่างน่าอึดอัดน่าระอานี่ก็เป็นเพราะเรา ไม่หาทางยกตัวขึ้นจากหนองน้ำนั่นเองหนองน้ำที่ว่านี้มีพิษด้วยนะครับเหมือนทำให้สมองเราฝ่อลงได้หดหูท้อแท้และเชื่ออยู่ลึกๆว่าจะไม่มีวันขึ้นจากหนองน้ำได้นับว่าแปลกแต่จริงยิ่งนานวันก็จะยิ่งซ่านไปตามเนื้อตัวสะสมไว้ที่จุดต่างๆคล้ายไขยมันมีพิษทำให้ผิดปกติไปต่างๆนานาน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 ดอกไม้จะดูเป็นดอกไม้อยู่หรือหากเหี่ยวเฉาการปราศ จ, จากความสุขทั้งที่ไม่มีเหตุให้ทุกข์อย่างชัดเจนนั้นแสดงถึงวิธีคิดที่ผิดพลาดเรียกว่าเหตุแห่งทุกข์ก็คือวิธีคิดนั่นเองในระหว่างใช้ชีวิตอันเป็นปกติหากยังตัดสินใจเลือกที่จะเป็นสุขไม่ได้แล้วขณะใกล้ขาดใจตาย จะมีความแน่นอนอันใดเป็นหลักประกันที่น่าไว้ใจเล่าไม่มีสิ่งใดเป็นศัตรูผู้ให้โทษกับเราได้เท่าการตั้งจิตไว้ผิดพลาดอีกแล้วถามจะทราบได้อย่างไรว่าจิตเรามนมองอยู่ในระดับตกต่ำร้ายแรงยากจะเยียวยาหรือไม่จะใช้เกินใดเป็นหลักวัดว่าแต่ละวันดีขึ้นหรือแย่ลงและดีขึ้นแค่ไหน จึงแน่ใ จ, ใจได้ว่าจะไ ป, ะไปถือกําเนิดในสุขติภูมิตอบเมื่อหงุดหงิดในเรื่องเล็กๆน้อยๆถามตัวเองว่ารู้ตัวได้เร็วแค่ไหน 1. ไม่ทันแสดงอา ก, กับกิริยาออกมาพอเริ่มมีความรำคาญกลุ่นขึ้นจะทราบชัดแล้วความหงุดหงิดก็จางลงเปลี่ยนเป็นปลอดโปร่งได้ง่ายๆหรืออย่างน้อย ก็หันไปสนใจสิ่งที่ควรทำเฉพาะหน้าโดยปราศ จ, จากความเก็บกด 2>, 2. แสดงอากับกิริยาหงุดหงิดให้เป็นที่ปรากฏแต่ก็ระ ง, งับลงได้ในเวลาต่อมาโดยปราศ จ, จากความรู้สึกทึบแน่นหรือเก็บกด 3. แสดงอากับกิริยาหงุดหงิดให้เป็นที่ปรากฏและไม่แน่ว่าจะระ ง, งับได้ ไม่แน่ว่าจะปลอดโปรงหรือเก็บกดในเวลาต่อมา 4. แสดงอากับกิริยาหงุดหงิดให้เป็นที่ปรากฏระ ง, งับไม่ได้เลยและรู้สึกเก็บกดอยู่ตลอดทั้งหมดที่กล่าวนี้คือขีดความสามารถในการปล่อยวางสิ่งที่ไม่ใช่สาระนั่นเองหากจิตเราถูกอบรมจนกระทั่งอยู่ในสภาพไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งไร้สาระได้เมื่อไหร่ เมื่อนั้นใจของเราจะเข้าขายข้อแรกแต่ถ้าไม่อบรมจิตเสียบ้างเลยก็มักตกไปอยู่ในขายข้อสุดท้ายแต่ละข้อถือเป็นขีดระดับความน่าจะเป็นว่าจิตมีทางไปอันดีหรือร้ายในตัวเองผู้มีความปลอดโปรง่งไม่ยึดมั่นถือมั่นได้เสมอเสมอจะอุ่นใจกับตนเองว่าเราเป็นผู้ไม่มีความเศร้าหมองครอบงาโดยง่าย แต่ผู้มีความอึดอัดยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางยากอาจต้องกังวลว่าเราจะเป็นผู้มีความเศร้าหมองในขณะเห่งมรณาการหรือไม่การสังเกตตนเองด้วยหลักวัดคร่าวๆทั้งสข้อข้างตน้นวันต่อวันจะช่วยให้เราทราบด้วยตนเองว่าดีขึ้นหรือแย่ลงและในระยะยาวภาพรวมจะปรากฏต่อสำนึกหลักของตนเอง เราเป็นผู้บอกตนเองได้ว่าชีวิตมีความสุขขึ้นเราเป็นผู้บอกตนเองได้ว่าบัดนี้ลดละนิสัยห่วงทุกข์แบบเดิมๆลงแล้วเป็นต้นถามจะมีวิธีแก้ไขความหม่นมองได้อย่างไรขอคำแนะนำแบบเป็นขั้นๆที่สามารถเริ่มตั้งต้นปฏิบัติตามได้เลยตอบหนึ่ง ประสิบบอกตอนเองไว้เสมอๆว่าอย่าคิดมากนี่เรียกว่าเป็นการป้อนโปรแกรมให้กับจิตตนเองในระดับสำนึกเมื่อท่องบ่อยเข้าจนใจยินยอมตามโปรแกรมอาการไม่คิดมากก็จะค่อยๆปรากฏชัดขึ้นมาเอง2มันสังเกตใจตัวเองมันตั้งคำถามกับใจตัวเองมันจับผิดใจตัวเองว่าขณะหนึ่งหนึ่ง กำลังคิดมากให้เปล่าประโยชน์หรือคิดน้อยอย่างได้ประโยชน์เราจะพบว่าแค่การปฏิบัติตนอย่างง่ายๆตรงไปตรงมาเท่านี้จะทำให้เป็นคนเลิกเพ่งโทษคนอื่นมีความหุดหงิดน้อยลงอย่างรวดเร็วเหลือเชื่อ 3. เมื่อหุดหงิดวิตกเกินกว่าเหตุหรือหดหูเศร้าหมอง อย่าพยายามเร่งเอาตัวเองออกมาจากภาวะนั้นๆทันทีทันใดตามใจนึกแต่ให้ตระหนักว่านั่นเป็นภาคมืดของจิตเมื่อใดมีแสงสว่างสาดเข้ามาความมืดก็จะหายไปเองความสว่างนั้นอาจหมายถึงการไม่ยอมจมอยู่กับทุกข์แต่หันไปเดินเล่นในสวนหันไปอ่านหนังสือธรรมะหันไปสวดมนต์บ่อยๆ หรือหันไปปฏิบัติภารกิจของคุณด้วยความรู้สึกว่าถ้าทำให้เสร็จถ้าทำให้ดีจิตใจเราจะปลอดโปร่งขึ้นกว่าเดิมด้วยการประพฤติตนเช่นนี้กำหนดใจไว้อย่างนี้ในที่สุดจิตจะฉลาดเลือกทำแต่เหตุให้เกิดความสว่างและรังเกียจเหตุให้เกิดความมืดอย่างถาวรลองเธอะครับความเป็นมนุษย์นั้น เหมือนมีดที่คมกว่าเราคิดเอาไปเฉาะดินเล่นจนทื่อก็ได้หรือเอาไปฟันฝ่าอุปสรรคในตัวเองก็ได้และในเวลาที่ไม่เนิ่นช้าด้วยช่วยแนะวิธีคิดและการทำใจที่จะไม่ทำให้ทุกข์มากจากการต้องเสียสามีไปอย่างกระทันหันด้วยค่ะ ทุกวันนี้ยังไม่อยากเชื่อว่าเขาจากเราไปแล้วแม้พยายามคิดว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาแต่ก็ยังมีบางครั้งทำใจไม่ได้มีความคิดว่าเขาไม่น่าอายุสั้นแค่นี้เลยค่ะตอบการที่เราไม่คิดไวล่วงหน้าหรือไม่เคยเตรียมตัวเตรียมใจไว้เลยด้วยความประมาทในวัยนั่นแหละคือต้นเหตุของการทำใจได้ยาก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 เลิกหาธรรมะปลอบใจแต่ให้สังเกตอย่างตรงไปตรงมาว่าลมหายใจเข้านี้ใช่ไหมที่บรรเทาความอัดอั้นไม่ให้จุกอกตายไปอีกเลือกหนึ่งเมื่อเห็นเข้ามาถึงการมีชีวิตจริงๆในลมหายใจในปัจจุบันนี้ได้คุณจะสามารถทำความเห็นได้ตามจริงว่าชีวิตเป็นของเปล่าบางแม้ตัวคุณเองก็อาจแตกดับภายในเวลาไม่กี่นาที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 หลงอุปทานลงทึกทักเอาว่าทุกคนต้องตายตอนแก่ความตายจะมาในเวลาอันควรเสมอวิบากกรรมเขารู้เวลาของเขาดีและไม่ยอมให้คุณผัดผ่อนเพียงด้วยการวิงวอนเช่นคุณไม่รู้และไม่เคยเตรียมใจไว้ก่อนอย่าเพิ่งมาเลยนะความตายสามีจากไปแล้วอย่างกะทันหันที่เหลือก็ต้องเตรียมใจให้เป็นกุศล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 ในกรณีที่พ่อแม่กำลังจะต้องตายแน่แต่เหมือนหายใจไปวันๆเพราะเครื่องช่วยหายใจการถอดเครื่องช่วยหายใจออกตามคำสั่งเสียไว้ล่วงหน้าของพวกท่านซึ่งไม่อยากยื้อชีวิตตัวเองไว้เป็นภาระแก่ลูกอย่างนี้ถือเป็นปานาติบาตหรือไม่ตอบก่อนอื่นต้องเล็งที่ใจต้องบอกว่าไม่ใช่ปานาติบาเต็มขั้นแน่นอนคือขาดเจตนาฆ่าเป็นตัวตั้ง เพราะไม่ได้วางแผนทำให้ตายขณะที่กำลังทรงสภาพดีๆอยู่ว่าไปแล้วคนป่วยที่ไม่อาจดำรงชีวิตรอดด้วยวิธีทางธรรมชาติต้องใช้เครื่องช่วยหายใจถือว่าอายุกายขาดไปแล้วเกินครึ่งเพราะเครื่องช่วยหายใจนั้นชื่อบอกอยู่แล้วว่าเป็นเครื่องช่วยต่ออายุถ้าไม่มีเครื่องช่วยหายใจอายุก็ต้องขาดแน่ๆอย่างไรก็ตามแม้ไม่มีเจตนาฆ่า แต่ความรู้สึกว่าคุณเป็นคนทําให้ท่านตายก็อาจเกิดขึ้นเพราะช่วยได้แต่ไม่ช่วยซึ่งตรงนี้แหละที่อาจทําให้คุณไม่พ้นมนตินดีนักฉะนั้นถือเอาแค่ความรู้สึกไม่สบายใจข้อเดียวนี้ผมอยากแนะนําว่าควรปล่อยให้ท่านตายตามเวลาจะสบายใจกว่าครับไม่อย่างนั้นคุณอาจต้องกลัดกลุ้มไปอีกนานว่ามีส่วนทําให้พ่อแม่ตายหรือเปล่า มนทินทำนองนี้ไม่ใช่จะล้างให้รู้สึกสะอาดง่ายนักอย่างน้อยได้รู้สึกว่าคุณช่วยเต็มความสามารถตามฐานะลูกซื้อความสบายใจหายห่วงก็ย่อมดีกว่ากันแน่แต่บางครั้งการช่วยพยุงชีวิตนั้นก็มีรายละเอียดแยกย่อยมากขึ้นอยู่กับว่าคุณรู้อยู่กับใจแค่ไหนด้วยเพราะหลายกรณีเท่าที่ผมทราบ คือร่างกายหมดสภาพที่จะดำรงชีวิตแน่แล้วฟื้นกลับมาอยู่ในสภาพมีสติอย่างคนธรรมดาไม่ได้แน่แล้วถือว่าอายุขาดแน่แล้วการรังไว้แค่ร่างกายอาจหมายถึงไม่ปล่อยให้เกิดจุติจิตไม่ปล่อยให้ท่านเคลื่อนไปเสวยกรรมตามการก็ได้ถ้าคุณทราบชัดมีหลักฐานทางแพทย์ชัดเจนก็อาจปล่อยท่านไปโดยไม่ถือเป็นการฆ่า แต่อีกหลายกรณีจะก้ามกึง่งไม่แน่ไม่นอนหมอเองก็พูดไม่ออกบอกไม่ถูกว่าจะอยู่หรือไปมีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์ฟื้นคืนกลับมาเป็นดังเดิมอันนี้ถ้าคุณด่วนถอดน้ำหนักความรู้สึกย่อมเป็นคนละเรื่องกับกรณีข้างตน้นด้วยความไม่รู้ภายใต้ความไม่แน่นอนนี่แหละโอกาสที่จะเป็นปิดตุค่าสมาตุค่าก็สูงมาก ภายใต้สถานการณ์ไม่แน่นอนขอแค่คิดแม้แต่นิดเดียวว่าอยากให้ชีวิตขาดขาดไปเสียคุณจะได้ไม่ต้องรับผิดชอบมเมฆหมอกปานาติบาต์ก็เคลื่อนมาคลุมจิตคุณเกือบครึ่งแล้วเพราะถือว่าขาดเมตตากับผู้ให้กำเนิดการขาดเมตตาเป็นตัวชี้ว่าไม่อยากให้อยู่ต่อยิ่งถ้าคิดอยากได้มรดกเสียเร็วๆอันนี้ถือเป็นปนาณาติบาต์เต็มขั้นทันที เพราะเจืออยู่ด้วยความโลภความโลภเป็นตัวชี้ว่าอยากให้ตายเปิดตุคาากับมาตุคาาคืออนันตาริยกรรมให้ผลหนักแน่นที่สุดประกอบกรรมชนิดนี้แล้วเอาคืนไม่ได้ชะล้างหรือชดเชยด้วยวิธีใดใดไม่ได้สำนวนอันเป็นพุทธพท์คือจะเป็นผู้ไปอบายตกนรกชั่วกับไม่อาจเยียวยาอย่าเสี่ยงเฉียดใกล้เลยเป็นดี ขอสรุปสองข้อสั้นๆคือ 1. ถ้าหลักฐานทางแพทย์ชี้ว่าตายอยู่แล้วแค่ช่วยให้หายใจไม่ได้แปล ว, ว่ายังมีชีวิตอยู่อันนั้นถอดเครื่องช่วยก็ไม่นับว่าคา 2. ถ้าพยายามดิ้นรนทุกวิถีทางแต่ไม่มีเงินแม้เอาพ่อแม่เข้าโครงการอุปถัมภ์แต่หมอก็ไม่ยอมต่อชีวิตให้ ก็ทาใจคิดว่าคุณหมดแรงที่จะยือท่านไว้จากปากเหวแห่งโมรณาอย่างไรท่านก็ต้องตกร่วงลงไปอยู่ดีถามาการฆ่าตัวตา ย, ตตายถือเ ป, เป็นปานาติบาหรือเปล่าตอบการฆ่าตัวตายไม่ใช่ปานาติบาแต่เป็นอัตวินิบาตเป็นกรรมคนละอย่างครับ ปานาติบาทคือปรงชีวิตสัตว์อื่นมีผลให้ชีวิตของสัตว์อื่นขาดก่อนถึงอายุไขพรากสิทธในการมีชีวิตไปจากเขาโดยเฉพาะหากเขามีบุญมากก็เท่ากับตัดโอกาสเสวยสุขของเขาทิ้งทั้งยวงส่วนอัตวินิบาตคือการปรงชีวิตตนเองมีผลให้ไม่ได้ใช้กรรมที่ควรใช้ก่อนถึงอายุไข โดยเฉพาะหากมีบาปมากก็เท่ากับพยายามแหกคุกเพื่อหนีโทษด้วยทางลัดการไม่รอให้มีการล้างไพ่ใหม่ตามการจัดเป็นการตัดตอนสร้างปมยุ่งเหยิงขึ้นไม่ให้เป็นไปตามวิถีธรรมชาติกรรมวิบากเปรียบกับหนี้ก็ซับซ้อนกว่าหนี้ชนิดไหนไหนเนื่องจากการทบหนี้กรรมนั้นแตกต่างจากการทบต้นทบดอกของหนี้สินเงินทองมาก ถ้าคุณฆ่าคนมีบุญโอกาสเสวยบุญของเขาที่ถูกตัดทิ้งย่อมสะท้อนกลับมาเป็นความหมดโอกาสเสวยบุญของคุณเช่นกันคุณจะมีอายุมากในอัตภาพที่เป็นทุกข์แต่จะมีอายุสั้นในอัตภาพที่เป็นสุขและถ้าฆ่าตัวเองขณะต้องใช้บาปการหนีโทษย่อมเป็นการเพิ่มโทษในตัวเองทุกที่ยังไม่เสวยก็ต้องเสวยอ ย, อยู่ดี แถมพ่วงทุกข์อันเกิดจากการพยายามแหกคุกเข้าไปอีกระทมนั่นคือแทนที่จะต้องทนทุกข์ในสภาพมนุษย์ตามเดิมก็ต้องไปทนทุกข์ในสภาพเปรตสภาพเดรัจฉานหรือสภาพสัตว์นรกซึ่งเป็นอัตภาพที่แย่หนักเข้าไปใหญ่ข้อแตกต่างระหว่างปาณ า, าติบาทกับอัตวินิบาทยังมีอีกมากเช่นปาณ า, าติบาศ มีผลในการต่อไปเป็นความโหดเหี้ยมของจิตใจมีใบหน้าเหี้ยมเกรียมมีความเดือดร้อนเรื่องสุขภาพกายอาจถูกรังแกอาจถูกฆ่าให้ตายก่อนวัยอันควรส่วนอัตวินิบาตมีผลในการต่อไปเป็นความอ่อนแอทางใจมีใบหน้าเศร้าหมองมีความเดือดร้อนเรื่องสุขภาพจิตคิดมากและน้อยใจเก่งรู้สึกอ่อนแอ อยากตายด้วยเหตุบีบคั้นแค่ง่ายๆเป็นตน้นการฆ่านั้นไม่ว่าฆ่าผู้อื่นหรือฆ่าตนเองย่อมได้ชื่อว่าทำจิตให้เศร้าหมองเมื่อจิตเศร้าหมองย่อมมีคติวิบัติเป็นที่หวังแต่หากฆ่าตนเองโดยไม่มีจิตเศร้าหมองทำจิตให้ขาดจากอุปทานว่าเป็นตัวตนอันนั้นพระพุทธเจ้าสรรเสริญการสิ้นชีวิต ขณะไรอุปาทานไม่ถือเป็นบาปด้วยประการทั้งปวงที่ทำอย่างนั้นได้ก็มีแต่ผู้ศึกษาธรรมจนเข้าใจและปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงแล้วเท่านั้นครับถามอ่านจากที่คุณดังตรินเคยเขียนไว้ในหนังสือเสียดายคนตายไม่ได้อ่านว่าการส่งคนตายให้ได้ไปดี คือการทำให้เขามีจิตใจปลอดโปร่งตัดห่วงตัดอาลัยในโลกมนุษย์และถ้าเป็นไปได้ก็ควรให้ตัดห่วงอาลัยในภพภูมิทั้งหลายไม่ว่าสูงหรือต่ำด้วยอย่างนี้ถ้าญาติมิตรอันเป็นที่รักมีโอกาสไปรุมล้อมและฟังคำสั่งเสียของคนใกล้ตายแล้วพวกเขาห้ามใจกันไม่ได้ต้องร้องห่มร้องไห้ ส่งเสียงวิงวอนให้คนใกล้ตายอยู่ต่อทำให้คนใกล้ตายจิตใจเศร้าหมองม่เป็นการทำบาปต่อผู้ตายหรือหากเป็นบาปก็น่าคิดว่าแล้วจะทำอย่างไรกันล่ะเพราะตามธรรมเนียมแล้วถ้าทำได้ก็ควรได้ไปล่าลาไปดูใจกันเป็นครั้งสุดท้ายไม่ใช่หรือแต่ไปแล้วห้ามปากห้ามใจไม่อยู่ก็เท่ากับผิดหลักการส่งคนตายที่ดีอีก ใ น, ในความเห็นขอ ง, ของคุณดังตรินคว ร, ควรให้เป็ น, เ, ปนเช่นไรตอบก่อนอื่นต้องออกตัวว่าการส่งคนตายที่ผมเขียนไว้ในหนังสือก็อย่างที่ระบุไว้แล้วว่าเป็นแนวอุบายของพระพุทธเจ้าท่านนะครับผมไม่ได้คิดเองเพียงนำมาบอกคุณคุณเท่านั้นถ้าอยากได้วิธีส่งคนตายที่ดีที่สุดในโลกก็ขอให้เชื่อพระพุทธองค์ ซึ่งทรงอยางทราบอุบายธรรมอันสว่างดีกว่าใครทั้งหมดนั่นคือให้ซักถามคนใกล้ตายว่ายังห่วงอะไรก็หาทางพูดให้เขาคลายห่วงคลายพวงเช่นถ้ายังห่วงลูกเมียก็บอกเขาว่าลูกเมียจะไม่อยู่ในโลกนี้ตลอดไปวันหนึ่งก็ต้องตายตามเขาเหมือนกันนอกจากนั้นก็ควรชักจูงให้คิดถึงโลกสวรรค์ ที่ดีกว่าโลกมนุษย์กับทั้งลงท้ายเหนี่ยวนําให้เห็นการเกิดในพบในใดไม่เป็นสุขต้องจากตายหายสูญจากโลกนั้นๆกันทวนนาคลายจิตจากความยึดมั่นถือมั่นในกายใจนี้และกายใจอื่นๆเสียเป็นดีที่สุดสรุปคือพูดเหนี่ยวนําให้ควรใกล้ตายตัดความอยากอยู่ต่อและตัดความอยากเกิดใหม่ได้นับว่าประเสริฐแท้ เพราะจิตที่คลายความยึดมั่นในความมีความเป็นทั้งหลายคือจิตที่สว่างพ้นจากทุกขติแน่นอนและแม้ยังมีกําลังส่งไม่ถึงนิพพานอย่างน้อยก็เทียงที่จะไปดีมีสุขติเป็นที่หวังได้กับทั้งจะเป็นสัญญาณ น, นำร่องไปสู่ความเป็นผู้เห็นถูกเห็นชอบแสวงทางพ้นทุกอย่างถูกทางในการต่อต่อไปอาจกล่าวได้ว่า วาระแห่งการส่งคนตายคือวาระอันเหมาะควรแก่การให้ที่พึ่งสำคัญสูงสุดกับบุคคลอันเป็นที่รักของเราทีนี้มาดูความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับโลกทุกวันมีคนตายและคนตายจำนวนหนึ่งก็มีโอกาสพบญาติในวาระสุดท้ายก่อนลมหายใจสิ้นจากร่างบรรดาญาติมิตรอันเป็นที่รักเขาทำอะไรกัน พวกเขาพากันร้องไห้ระงมเป็นจักเจจันนั่นเท่ากับสร้างภพแห่งความอาลัยขึ้นในจิตของผู้ตายชัดยิ่งถ้าคนใกล้าตายสวยหน่อยเจอญาติวิกฤจริตส่งเสียงปีดๆพร่ำแต่ร้องว่าอย่าตายอย่าตายก็จะยิ่งใจไม่ดีเหมือนโดนข้ามไม่ให้โดดลงเหวการที่คนเราใจไม่ดีตอนสายตากำลังพราพรายนี่หูหาเรื่องง่ายนะครับ เสียงปี๊ดปดีอาจฟังคล้ายเปรตเป่านกหวีดเรียกให้ไปเป็นพวกเร็วๆก็ได้คนกำลังจะตายฝ่ายคนเป็นก็มารังแง่งรังขาหน่วงเหนียวไว้จนจิตเขาดิ้นรนอยากอยู่ต่อจิตที่ดิ้นรนนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เล่าแล้วจิตที่เป็นทุกข์มีความเศร้าหมองมีความยึดติดอะไรในภพเดิมจะมีกำลังอ่อนแอรหรือแข็งแรงเล่า แล้วจิตอ่อนแอที่ไหนจะระลึกนึกถึงบุญกุศลอันน่าเบิกบานปิีติยินดีได้สรุปคือส่วนหนึ่งที่คนตายไม่ค่อยได้ไปดีก็เห็นทีจะต้องโทษบรรดาญาติญาติที่ไม่ค่อยเห็นใจคนตายไม่รู้วิธีทำให้คนตายสบายใจนี่แหละนี่ยังไม่นับพวกที่ไปตีกันในห้องคนไข้นะครับเห็นพ่อแม่ร่อแร่เจียนอยู่เจียนไป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 แต่ถ้าเห็นแก่คนตายจริงๆก็ขอให้หลีกเลี่ยงคำพูดสะเทือนใจทั้งหลายเถิดร้องไห้นะไม่เป็นไรนะครับดีเหมือนกันคนตายจะได้รู้ว่ามีคนอาลายัยแต่เตรียมเตรียมคำพูดไว้หน่อยอย่าพร่ำเพ้อแบบนึกอยากพูดอะไรก็พูดหรือขออะไรที่คนตายให้กับเราเป็นครั้งสุดท้ายไม่ได้เช่นอย่าเพิ่งตายนะครับหรือ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 แต่ที่ประเสริฐกว่านั้นคือคุณข่มความอาลัยไว้ได้สะกดก้อนเสะอื่นไม่ให้เจือในน้ำเสียงพูดอย่างอบอุ่นคงเส้นคงวาเช่นไม่ต้องห่วงผมแล้วอย่ายึดอะไรไว้อีกเลยวันหนึ่งผมก็จะจากโลกนี้ไปอย่างไม่อาลัยเหมือนกันหรือตามพระพุทธเจ้าไปถึงนิพพานอันไม่เกิดไม่ตายนะคะถ้าได้อย่างนี้ หรือประมาณนี้เสียงของคุณอาจปรุงแต่งจิตให้คนตายคลายความยึดติดทั้งหลายและกลายเป็นผู้ที่มีความสุขหลังความตายในระดับที่คุณนึกไม่ถึงการเตรียมตัวตายอย่างถูกต้องนั้นไม่ใช่แค่นึกๆึกเอาว่าเดี๋ยวเราจะระวังตัวเดี๋ยวเราจะตายแต่เป็นการเตรียมนิสัยเตรียมความเคยชินว่า จะตายพร้อมกับกุศลและจิตตราบใดยังคิดมากวนไปวนมายังขี้กังวลยังหวงสิ่งที่ไม่ควรหวงยังไม่อาจทิ้งพันธะผูกใจก็ขอให้พิจารณาว่าเหล่านั้นคือนิสัยที่เป็นเหตุให้ตายไม่ดีได้หมดเราต้องให้จิตคิดดีคิดเป็นกุศลให้ได้เป็นปกติตามแนวทางของทานและศีลยิ่งเสียสละมาก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 จะถึงตัวก่อนได้ตัวเราไปก่อนในขณะจิตท้ายๆฉะนั้นก็หาทางเริ่มกำจัดบาปนั้นก่อนเปลี่ยนวิธีคิดวิธีพูดหรือวิธีทำให้เป็นตรงข้ามเสียเป็นอันดับแรกจะต้องเสียเวลาเสียกำลังใจสักเท่าใดก็ตามนี่ก็ได้ชื่อว่าเตรียมตัวตายแบบตีตั๋วจองที่นั่งเฟิร์สคลาสไว้แล้ว วิธีปลดห่วงโซ่แห่งการเกิดตายก็คือการทําลายความเข้าใจผิดให้สิ้นซากเราเข้าใจผิดว่ากายนี้เป็นตัวตนเป็นที่ตั้งของตัวตนก็เฝ้าดูด้วยสติสัมปชัญญาไปเรื่อยว่าส่วนใดส่วนหนึ่งในกายนี้เที่ยงหรือไม่ถ้าไม่เที่ยงในที่สุดจิตก็จะได้ข้อสรุปเองว่ากายไม่ใช่ตัวตน ไม่เป็นที่ตั้งของตัวเราพ้นจากความสำคัญผิดเกี่ยวกับกายยังเหลือความสำคัญผิดเกี่ยวกับใจก็ต้องดูกันต่อไปเฝ้าระลึกกันต่อไปว่าองค์ประกอบทางใจส่วนไหนที่เป็นตัวตนเป็นที่ตั้งของตัวเราเมื่อเฝ้าดูไปเรื่อยนับแต่ความรู้สึกสุขทุกข์ที่สลับไปสลับมาความจำได้หมายรู้ ที่ทำให้นึกออกบ้างนึกไม่ออกบ้างความนึกคิดชอบชังที่อาจเปลี่ยนชอบเป็นเกลียดเจตนาดีที่อาจกลับกลายเป็นร้ายตลอดจนความรับรู้ทางหูตาที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปเรื่อยชัดบ้างไม่ชัดบ้างหากตามดูแล้วพบว่ามีอะไรสักอย่างหนึ่งคงที่ไม่กลับเปลี่ยนปรวนแปรเลยก็ค่อยนับว่า ส่วนนั้นของใจมีความเที่ยงมีความเป็นตัวของเราที่ปราถนาให้อยู่ยั้งยืนยงได้หากตามรู้ตามดูไปจนถึงระดับหนึ่งจิตสั่งสมกำลังการรับรู้มากพอก็จะเกิดประสบการณ์ภายในแบบใหม่เห็นถนัดทั้งยังลืมตาดูเงี้ยหูฟังว่ากายใจนี้ปรากฏเป็นของเกิดดับทีละษณะไม่ใช่ต้องรอข้ามเดือนข้ามปี จึงไม่ใช่ตัวตนแน่ๆกระทั่งวางเฉยกายใจจะแสดงความไม่เที่ยงใดๆก็ปล่อยให้แสดงไปถึงจุดหนึ่งจิตเกิดความอิ่มตัวโลกแห่งตัวตนย่อมทลายลงเปิดเผยให้เห็นแต่ความจริงที่ไม่มีอะไรๆน่ายึดมั่นสำคัญผิดหลงติดอยู่นั่นเองวงโซ่แห่งความเข้าใจผิดจึงถูกตัดขาด ส่วนจะถูกตัดเพียงบางส่วนหรือถูกตัดเด็ดขาดไปทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับความแหลมคมแห่งจิตในวินาทีประหารกิเลสนั่นเอง